เราทุกคนในที่นี้นะก็รู้แล้วจะเป็นผู้ที่จากบ้านมาบางคนก็จากมางานหลายปีแล้วแต่หลายคนก็เพิ่งจากมาหลายคนในชี่นี้นะก็เพิ่งจากมานะเมือ่อเช้ายังเองอาจจะยังมีความอาลัยนะมีความห่วงกังวลทนที่บ้าน เราจะรู้สึกนะอ้างวางแต่ก็ขอยตระหนักว่าแม้เราจะจากบ้านมาแต่ว่าข้างหน้าเราก็คือบ้านนะเรากำลังมาแสวงหาบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านที่ประเสริฐนะบ้านที่แท้จริงของเราก็ได้ เป็นบ้านที่จะอยู่กับเรานะไปตลอดไม่ได้สร้างด้วยไม้หรือว่าตึกนะแต่มันคือสภาวะความอบปูนข้างในใจเราบ้านที่ว่านี้ก็คือความรู้สึกตัวนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักบ้านชนิดนี้เท่าไหรนะ่ไปคิดว่าบ้านเนี่ยมันต้องสร้างด้วยอิดก่อด้วยปูน แล้วว่าและเพราะเข้าใจเช่นนี้นะบางครั้งก็รู้สึกเหงารู้สึกอ้างวาง้างยอมที่ท่องจากบ้านที่ว่ามาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักและเข้าถึงนะบ้านที่แท้จริงคือความรู้สึกตัวเราจะอบอุ่นใจยิ่งกว่ามันจะไม่มีความผิดหวังในบ้านที่เราจากมา วันดีคืนดีอาจจะหลังคารั่วดินสุดนะอย่างที่มีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนบ้านนี้ทั้งแถบเลยนะสุดลงมาเลยจนกรงทังอยู่ไม่ได้ต้องไปห า, าบ้านอื่นอยู่เพราะกลัวว่ามันจะสุดหนักกว่านี้บ้านที่เราจากมา สามารถทาให้เราผิดหวังทําให้เราเป็นทุกข์ทให้เราเป็นห่วงกังวลยังไม่ต้องพูดถึงคนในบ้านนะที่อาจจะทําให้เราผิดหวังทําให้เราเสียใจทําให้เราน้อยใจแต่บ้านที่เรานะจะได้พบได้สัมผัสจากการมาปฏิบัติที่นี่นะมันจะไม่ทำให้เรารู้จักคำว่าผิดหวังเลยเพราะว่าจะทําให้เรามีความสุขความสงบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จัก ค่อยเห็นความสาคัญเท่าไหร่นะของความรู้สึกตัวาการที่เราจะมาปฏิบัติกันที่นี่นะไม่ว่าผู้เก่าหรือผู้ใหม่ก็เพื่อให้เราได้มีบ้านชนิดนี้นะอยู่ในหัวใจเราแต่เรียกว่าเป็นบ้านของใจก็ได้ให้บ้านของกายเนี่ยนันก็ต้องอาศัยอาคารอาศัยกุฏิที่คอยกันแดดกันฝน แต่ว่าใจเราละ่ะมีบ้านหรือเปล่าความสึกตัว เ, เป็นบ้านนะที่ประเสริฐของใจแลนะพระเจ้าก็นะชีน้แนะให้เรานะได้พยายามมีบ้านชนิดนี้อยู่ในหัวใจของเราหรือว่ามีบ้านอย่างนี้เนี่ยนะอยู่รอบร้อมใจของเรา ผู้จ้แนะนําว่าเนี่ยให้รู้จักทอำความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าเวลาถอยมาข้างหลังเดี่ยวซ้ายและขวาเวลาคู่ขาเหยียดขาให้ทำความรู้สึกตัวเวลาครองจีวรสะพายบาตรให้มีความรู้สึกตัวเวลากินเคี้ยวดื่มลิ้มอุจจระปัสสวะ ทำความสึกตัวนะเวลายืนเดินนั่งหลับตื่นนิ่งพูดพูดงายคือว่าไม่ว่าทำอะไรก็ให้เรามีความสึกตัวอันนี้เป็นคาสอนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินอาจจะยิได้ยินว่าผู้เจ้าสอนว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมนะ ช่มราติของตนให้เขารอบเนะอย่างที่พระองค์ตัดไว้ในโอวาสปาติโมกหรือว่าแนะนำให้เราบาเพ็ญบุญกิริยาคือทานศีลภาวนาแล้วความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนนะไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยยุดยมันเป็นพื้นฐานนะเราจะระชั่วหรือว่าไม่ทำบาปเนี่ยได้เนี่ยาะเพราะเรามีความรู้สึกตัวถ้าเราหลงเมื่อไหร่ จะหลงด้วยอำนาจของโลภะโทสะหรือโมหะเมื่อหลงนะด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้เนี่ยนะีกี่ข้อกี่ข้อก็ทำผิดหมดหรือว่าผิดสีแล้วเมื่อสีหมดคนเราผิดสีได้ทำช่วยแต่พระว่าะเราลืมตัวไม่มีความรู้สึกตัวปล่อยให้กิเลสปล่อยให้โลภะโทสะโมหะครอบงาสีลข้อที่ห้าเนี่ย เพียงแค่เรากินเหล้าเนีเ ม, มาไมยหรือถึงไม่เ ม, มาไมยก็ตามเนี่ยไอ้สุราก็ทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยบกพร่องไปพอรู้สึกตัวบกพร่องไปแล้วก็ทำอะไรทั้งนั้นทำร้ายผู้คนฆ่าสัตว์หรือแม้แต่ทำร้ายผู้มีพระคุณบุป ก, ปการีนะละักขโมยนะข่มขืนช้ำเรา หรือว่าพูดปลดมดเท็จมันทำผิดได้หมดเลยนะเพียงแค่ลืมตัวอันนี้ว่าเฉพา ะ, ะหลงเพราะน้ำเมาเนแต่ที่จริงเนี่ยไอเมาเมาอารมณ์เนี่ยนะโดยเพราะโทสะเนี่ยมันก็ทำให้หมดความรู้สึกตัวแล้วก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ทานศีลภาวนาก็เหมือนกันนะ ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานเนี่ยการให้ทานมันก็ไม่ใช่เป็นการทำบุญก็ได้อาจจะเป็นการเพิ่มภูนกิเลสเพราะว่าเวลาให้ทานก็อยากจะโชว์อยากจะให้คนอื่นได้เห็นว่าเราเป็นคนใจบุญสุนทานยังไงบ้างอันนี้มันไม่ใช่เป็นการทำบุญด้วยจิตเป็นกุศลละ แต่ว่าทำด้วยจิตที่เป็นอกุศล น, นะด้วยกิเลสมากกว่าจะไปทําบุญกับหลวงพ่อเนะีเห็นคนเยอะแยะเข้าคิวกันยืดยาวเกิดความหงุดหงิดเกิดความโมโหยื้อยุดกันนะอยากจะแซงคิวไปให้หลวงพ่อคูนเคาะหัวนะไปให้หลวงตาพรมน้ำมนนะเกิดการยื้อแย่งกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้บุญแล้วนะเพราะว่า มีความโกรธมีความเห็นแก่ตัวแทนที่จะไปทาบุญกับหลวงพ่อหลวงตาด้วยใจที่สงบเย็นอดทนรอคอยได้ก็เปล่ายื้อแย่งกันแล้วจะเราจะได้บุญได้อย่างไรรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีความสึกตัวในการรักษาศีลไม่ว่าศีลหศีลแนะมันก็เป็นการปนเปื้อกิเลสมากกว่าหรือทาด้วยความทุกข์ มีผู้ชายคนหนึ่งนะเข้าพรรษาเนี่ยแกก็ตั้งใจอดเล่าตามสโลแก น, นอดเล่าเข้าพรรษาแต่กแกก็ทำด้วยความทุกข์มากนะใช้การกดข่มก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะว่าเมื่อไหร่มันจอะพรรษาสักทีพออะไรพออรกมาาแล้วเนี่ยนะก็จะดวดเล่านะให้เต็มที่เลแล้วพอออกมาซาปุ๊บนี่แกก็ตรงไปที่ร้านเล่าเลยเนะ ก็กินเหล้าในวันออกพรรษานี่แหละถือว่ า, ควาโคกกาหนดแล้วอิสระแล้วกินเหล้าจนเมาเพราะว่าอดกลั้นมานานสามเดือนไอต้ตอยเวลาที่อดกลั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยเลยนะมันมีแต่ความรู้สึก อ, อึดอัดขัดเคืองก็ไม่รู้ว่าอดไปทำไมนะหรือว่าทำไมถึงอดแต่ก็ทำได้จนสามเดือน ว่านานโมทนานะีแต่ว่าทําไปด้วยความรู้สึกกดข่มเครียดหงุดหงิดพอออกมาสาวปุ๊บก็กินเหล้ากินแบบเรียกว่าไม่ยับไม่ยั้งเลยพอเมาแล้วเนี่ยก็ทะเลาะกับเมียเมียก็ว่าผัวก็เลยใช้กำลังนะจะบีบคอเมียเนะียด้วยความเมาหมายเมียไม่รู้ทํายังไงมือไม้ ก็พยายามที่จะช่วยตัวเองให้ได้ก็เพิเงินไปคว้านะไปคว้าเข้าในะจว่าถ้าไม่ใช่จอบก็เป็นพวกพวกคราดนะไปคว้าคราดได้ก็สลัดตัวให้หลุดแล้วก็เอาคราดเนี่ยฟาดไปที่หน้าอกของผัวปรากฏว่าปักติดเลยนะผัวตายตายเนยออกพรรษาอยู่ย แซงว่าไอ้ที่อดเล่าเข้าพันษามาเนี่ยนะพยายามถือศีลข้อห้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยหรือมีประโยชน์น้อยมากเพราะว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันรักษาศีลข้อนีไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกจิตใจเบิกบานเสร็จแล้วก็มันก็ไปเรียกว่าทะลักทลา ย, ยกินเหล้าจนเมาเสร็จแล้วก็ตาย เพราะว่าจะพยายามทําร้ายเมียเมียก็ไม่รู้ทํำยังไงต้องเอาตัวรอดนั้นถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยการรักษาศีลของเราเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์น้อยบางทีแทนที่ได้บุญก็ได้บาปพราะไปอวดนะกดข่มหรือว่าไปายกตนข่มท่านว่าฉันถือศีลมากกว่าอันนี้ก็แสดงว่าปล่อยให้เกียรติครอบงําทั้งที่การถือศีลเนี่ยนะ มีวัุประสงค์ก็เพื่อขัดเกลากิเลส ข, ของตัวให้เบาบางนะซึ่งก็หมายถึงว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนาเนี่ยถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนะมันก็จะหลงได้ง่ายบางทีก็หลงสมาธินะหลงสมาธิหลงสีหลงแสงตามที่เห็นเป็นนิมิตนะหรือบางทีก็หลงว่าตัวเองเนี่ยตัดสรู้แล้วนะ พอมียาเกิดขึ้นในการบําบเพ็ญฌานหรือว่าในการทํำวิปัสสนาเกิดได้เกิดมีความรู้ขึ้นมาก็ไปหลงเอาว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งลืมตัวเลยนะไอเมาความรู้เนี่ยเมาญานเนี่มันก็มีนะญานเนี่ยคือญาที่คิดว่าตัดสิรู้แล้วมีพระรูปหนึงเนี่ยไปหาหลวงพ่อชาปนี้ ผมบรรลุแล้วนะผมบรรลุแล้วหพ่อชาฟังแล้วก็พูดเบาๆเออดีกว่าหมานิดหน่อยพอพูดเท่านี้แหละนะอึ้งเลยนะพอบอกว่าดีกว่าหมานิดหน่อยเนี่ยนะได้สติเลยนะแต่ก่อนที่ได้สตินะี่มันมีความเสียใจยมีความผิดหวังแนะทนที่หลวงพ่อนี่จะชมเราเขพูดว่าดีกว่าหมานิดหน่อย รู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะหลุดเลยนะนะหลุดจากวิปัสสนาแต่บางคนก็แรงนะอย่างมีพาะรูปหนึ่งก็แคต่ตรงตัดสรุแลลวเนี่ยไปหาหลวงหลว ง, งปู่ดุลนะเดินเท้า80กิโลไม่รู้เอาเรียวแรงมาจากไหนนะเดินทั้งวันทั้งคืนจากบุรีลมไปวัดบุรพารามสูลินไปถึงกลางกลางค่ำกลางคืนก็เรียก ไปเรียกลุงปู ด, ดูนหลวงตาหลวงตาผู้สําเร็จมาแล้วผู้สําเร็จคือสําเร็จอรหันนะนะเรียกให้หลวงตาเนี่ยหลวงให้หลว ง, งปู ด, ดูนเนี่ยมากราบมากราบซะนะพู้สําเร็จมาแล้วหลวงปู ด, ดูนท่านก็ไม่สนใจแล้วคิดว่าจะหายเองได้ที่ไหนได้สามวันแล้วยังไม่หายเลยนะเอาแต่ไปเทศให้พระเนนในวัดฟังจนเขาเบื่อเขาละอา พูดอย่างไรก็ไม่รู้สึกตัวจนรงทั่งหลวงปู่ดูลก็ตะโกนว่าไอสัตว์นรกนะไปเดี๋ยวนี้ออกจากกุฏิเดี๋ยวนี้นะตกใจเลยนะเออไปก็ได้หลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูรนะวงที่เดินกลับไปเดินไปอีกวัดหนึ่งก็ไอความโกรธนะความโกรธที่เกิดขึ้นก็ทำให้จิตเนี่ยหลุดนะหลุดจากความหลงนะ กลับมารู้สึกตัวใหม่เ hey, ฮนะ้ยเรานี่ฟุ้งไปนะเราหลงไปโดยปสัสโนกินไนงะถ้าภาวานาเนีไม่รู้สึกตัวนะมันก็หลงนะหลงในยาหลงในสีหลงในนิมิตแล้วก็ไปมันก็เผลอไปคิดว่าตัศลูลาทั้งที่เนี่ยนั่นคือโมหะทั้งนั้นาาา น, านั้นภาวนาเนี่ยถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเป็นพื้นนะมันก็เพี้ยนเหมือนกันแล้วก็ทําให้ ทำอะไรแบบคนเมาคนลืมตัวเหมือนคนบ้าเนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันมันจึงเป็นสภาวะที่สำคัญมากถามว่ารู้สึกตัวได้ยังไงนะก็ต้องมีสติเนเป็นเป็นเกลอกันนะเป็นพี่น้องกันสติและความรู้สึกตัวที่จริงความรู้สึกตัวเนี่ยมีคำหนึ่งใช้เรียกนะสัมปชัญญะสัมปชัญญะ สติคือไม่ลืมสัปปัญญาักคือไม่หลงนะอั น, นจะพูดในเชิงปฏิเสธเชิงลบสติคือไม่ลืมสัปปัญญายักคือไม่หลงความสึกตัวเกิดขึ้นได้เมื่อจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่จิตจะมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้อย่างไงถ้าใจลอยนะใจลอยเพราะฟุ้งปรุงแต่งนะความคิดมันปรุงให้ใจลอยหรือไม่ก็มีอารมณ์เข้ามาครอบงํา ใจหลไปนโน่นลอยไป น, นี่นะเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดความรู้สึกตัวขึ้นเพราะว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่เมื่อกระตาที่มีสตินะจิตก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคือรู้ทันรู้ทันนะความคิดและอารมณ์อันนี้เรียกว่าไม่ลืมตัวไม่ลืมเนี่ยนะมันไม่ได้ไหมายความว่าไม่ลืมข้าวของ ไม่ลืมกุญแจรถไม่ลืมนัดเพื่อนการไม่ลืมแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องจิบจอยมากแต่ที่หนักที่แยกคือการลืมตัวแลวถ้าเราไม่ลืมตัวเนี่ยนะในการที่จะไปลืมข้าวลืมของเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากที่ลืมนอ้นลืมนี่ก็เพราะลืมตัวก่อนเช่นเวลาวางวางของวางกุญแจวางกระเป๋า ใจลอยระหวงที่ลอยเนี่ยนะอันนั้นแหะคือลืมตัวพอลืมตัวแล้วจําไม่ได้ว่าวางของไว้ที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราวางของเนี่ยเรามีสติเรามีความรู้ตัวเรามีความรู้สึกตัวถึงเวลาจะลําดับว่าเออเราวางไว้ที่ไหนเนี่ยมันก็จะนึกออกวางกระเป๋าไว้ที่ไหนวางกุญแจไว้ที่ไหนจนนึกออกเพราะว่าตอนที่วางเนี่ยทำด้วยความรู้สึกตัวใจไม่ได้ลอยไป ดีหรือหลายไปายนาขดนเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยการทำอะไรนะก็ทำอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่เครียด เ, ยเวลาทำแล้วเราเครียดนี่นะก็เพราะาเราลืมตัวเราไปหมกมุ่นไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับงานที่กำลังทำนะบางทีไปหมกมุ่นอยู่กับจุดหมายปลายทางเมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไรจะเสร็จสักทีคิดอยู่นั่นแหละ มันก็ทำให้ลืมตัวท ำ, ทำให้เครียดมันกลับมารู้สึกตัวนะการปฏิบัติที่เราจะทำกันในที่นี่เนี่ยทั้งที่เคยทำและที่จะทำกันนะมันก็เป็นเรื่องของการฝึกให้จิตเนี่ยมีความรู้สึกตัวด้วยการสร้างสตินะอาศัยหลักสติปัฏฐาน4ถ้าจิตเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวนะมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่บ้าน นะอยู่อยู่ถิ่นของตัวที่ปลอดภัยในใสาผู้จา้าเคยจัดนะเปรียบเล่าถึงนกชนิดหนึ่งนะชื่อนกมูลไทยมูลก็คือมูลดินนะเนะี่ยนกมูลไทยเนี่ยถูกเดี่ยวมันคว้าได้ค่ะที่รอยอยู่กาอากาศนกมูลไถก็ลำพึงว่าเนี่ยเป็นเพราะเราไปหากินผิดถิ่นนะเป็นเพราะเราไปอยู่นอกถิ่นของเรา ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้นะถ้าเราอยูนถิ่นของเราเนี่ยไม่มีทางเหยื่จับได้หรอกเหยื่อมันก็ได้ยินมันก็สงสัยว่าเนี่ยถิ่นของเจ้าคืออะไรนกบูนไถก็บอกว่าถิ่นของเราก็คือถิ่นของพ่อแล้วถิ่นของพ่อคืออะไรก็บอกว่ามูนไถ่ลอยไถย่ลอยไถ่เนี่ยคือถิ่นของเราเดี๋ยวเนี่ยนะมันมันภูมิใจมัน มั่นใจในความสามารถของตัวก็คิดว่าเจ้านกมูลไทยเนี่ยแม้เจ้าอยู่ในถิ่งของเจ้าก็เจ้าก็ต้องเสร็จเราอยู่นั่นแหละเราจะทําให้เจ้าดูนะก็เลยปล่อยนกมูลไทยมาไว้นะตรงมูลดินที่เป็นร้อยไทยนะในนาอันนี้นกมูลไทยพออยู่นั้นเนี่ยก็ท้าทายเหยียวเลยเข้ามาเลยมาเลยนะเราอยู่ในถิ่งของเราแล้วเจ้ามาเลยเหยื่อมกนกะ็ถูกท้านี่ก็ยิ่งนะ เกิดความลำพองใจก็พุ่งเลยมาพุ่งลงมาเลยนะด้วยความเร็วสูงนะพอเปนมาถึงเนี้ยนกมูลไถ่ก็หลบนะหลบเข้าไปในในลอยไถเดียเ๋ยวนี้มันโฉบลงมาเนี้ยด้วยความเร็วมันเบรกไม่ทันนะมันก็กระแทกดินตายกระแทกดินตายเลยนี่เพราะว่านกมูลไถเนี้ยได้กลับมาอยู่ถิ่นของตัวเป็นถิ่นของพ่อเนี่ยแล้วพระเจ้าก็จัดว่าเนี่ย น ะ, ะภิกษุก็เหมือนกันนะเธอทั้งหลายเนี่ยนะอย่าไปหากินนะผิดถิ่นนะต้องอยู่ในถิ่นของพ่อนะหรืออ ย, อยู่ในถิ่นของตัวถ้าอยู่ในถิ่นของตัวเนี่ยมานจะไม่สามารถจะมาคว้ า, าไปได้มานี่คืออะไรนะมานก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจทำให้เกิดความกำหนัดพอกำหนัดแล้วเนี่ยมันก็เกิดทุกข์แล้ว เพราะว่าเกิดความโลภไม่ได้ไม่ได้อย่างที่หวังก็เกิดโทสะนะเกิดความทุกข์มานี่ไม่ใช่พยา ม, มาณอะไรนะหมายถึงรูปร่กลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจที่ทําให้เกิดความกําหนัดเกิดความยินดีเกิดความโลภแล้วถิ่งของเราถิ่งของพ่อเนี่ยคืออะไรพระเจ้าก็ตรัว่าสติปัฏฐาน4นะั่นแหละเมื่อแต่ก็ตามที่เรานะรักษาใจนะให้อยู่ใน สติปัฏฐาน4ี่นะก็จะปลอดภัยปลอดภัยจากมารปลอดภัยจากกิเลสปลอดภัยจากความทุกข์เมื่อจะก็ตามที่จิตเนี่ยเรานะีมั่นคงนะดำเนินตามหลักสติปัฏฐาน4ี่ก็คือว่ารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะนี่พุยยนนะถ้าพูดเต็มด้วยก็คือกายุทธ ป, ปัฏฐ า, านเวทนาสุปัฏนานสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสิบปัะธานธรรมานุปัสสนาสิบปัะธานรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือมีสติรู้รู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมหรือพูดย่อๆคือรู้กายรู้ใจเมื่อมีสติรู้กายรู้ใจจิตก็จะกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่ก็คือบ้านคือถิ่นของเราเป็นบ้านของเราเป็นถิ่นของเราที่ทําให้เกิดความมั่นคงอบอุ่น นะถ้าอยู่บ้านนี้นะจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคําว่าเหงาไม่มีคําว่าเหงาคนสมัยนี้เนี่ยนะเหงาเหงาง่ายไม่ใช่เพราะว่าพลัดจากบ้านมนะันยังก็อยู่บ้านตัวเองนั่นแหละแต่ก็ยังเหงาต้องหยิบโทรศัพท์มาแชทกับเพื่อนเล่นไลน์บางระหรือไม่ก็ Facebook หรือไม่ก็โทรคุยกับเพื่อนเป็นชั่วโมงช่วโมงขนาดอยู่บ้านตัวองยังเหงาเลยนะจะไม่เหงาก็สามารถไปเที่ยวห้างนะ ไปเที่ยวห้างไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไอ้นั่นนะ่ะมันไม่ใช่ถิ่งของเรานะมันเป็นถิ่งนะอันนี้เราไปหากินผิดถิศแล้วนะพาตัวเนี่ยไปผับไปบาร์ไปห้างเที่ยวห้างเนี่ยเรืยกไปหากินผิดถินแล้วก็จะเสร็จอําเสร็จอยู่เนะีเสร็จในเสร็จพวกมารความทุกข์จะเข้าหาได้ง่ายแต่บางทีตัวไม่ได้ไป ตัวไม่ได้ไปไหนนะตัวอาจจะอยู่วัดอาจจะอยู่บ้านแต่ว่าใจเนี่ยมันไปแล้วใจมันไปผิดที่ผิดทางนะผิดที่ผิดทางนี่คืออะไรคืออดีตนะอนาคตอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วใจก็ไหลไปพอไหลไปเลยยังอดีตก็ไปนึกถึงเรื่องที่เจ็บปวดก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไปนึกถึงคนรักที่ตายจากไปก็เกิดความอาลัยอาวรไปนึกถึงเพื่อนที่เขาโกหกหักหลังเรา เขาด่าเรานะหรือไปคิดถึงลูกที่เขาไม่สนใจเราก็เกิดความโกรธเกิดความน้อยใจนะเรียกว่าไปเอาทุกข์กลับมาอันนี้ก็เริ่มไปหากินผิดถิน่นนะปล่อยใจไปผิดที่ผิดทางหรือว่าให้ใจหลไปอนาคตไปนึกถึงงานการที่ค้างคาอยู่นึกถึงพ่อนะที่ไปตรวจ มีนัดไปตรวจกลัวว่าพ่อจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้ชําระนึกถึงเศรษฐกิจที่ย่าแย่การค้าตอนนี้ก็ไม่ดีแล้วอีก4ีหเดือนข้างหน้านี่ก็กลัวมันจะหนักกว่านี้กลุ้มใจที น, นี้หลายคนนอนไม่หลับนะคนทําธุรกิจหลายคนนอนไม่หลับเมื่อวานนี้ก็ไปไปเยี่ยมโยมคนนึง โยมคู่หนึ่งก็แต่ก่อนนี่ทําธุรกิจก่อสร้างขายของอุปกรณ์ก่อสร้างนี่แทบไม่มีเวลาให้ลูกเลยนะกว่าจะเสร็จงานก็5้าทุ่มหทุ่หมดตอนนี้ลูกค้าน้อยมากข้อดีคือมีเวลาให้กับลูกแต่ข้อเสียคือนอนไม่ค่อยหลับนึกถึงว่าธุรกิจจะไปได้ยังไงนะตอนนี้มีปัญหาไอ้ปัญหาที่ ควงกังวลคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไอ้ตอนนี้นยังพอไปไหวแต่พอเป็นนึกข้ามช็อตไปถึงอนาคตเนี่ยกลุ้มใจนอกจากจะมีรายได้น้อยลงแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ใจเสียก็บอกเขาว่ายังไงถึงแม้เงินได้น้อยลงนะั้นแต่ว่าสุขภาพสำคัญนะรักษาสุขภาพการสุขภาพใจให้ดีเพราะว่า เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะสุขภาพกายสุขภาพใจแต่ถ้าปล่อยใจให้นะไปอยู่กับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทุกข์มากอันนี้ก็ปล่อยใจนะไปหากินผิดฉิ่นเหมือนกันนะปล่อยใจไปนะออกนอกบ้านนะพอออกพอออกนอกบ้านออกจากปัจจุบันออกจากความรู้สึกตัวเนี่ยอันตรายแล้วถ้าเราเมื่อแล้วก็ตย์ทิจใจเราเนี่ยออกจากความรู้สึกตัวก็เมืองออกจากบ้าน ไอ้รอบบ้านนี่อันตรายอยู่รอบบ้านเลยก็เหมือนกับ น, นกมูลไถนะถ้าเกิดว่าออกจากถิ่นของตัวเมื่อไหรน่นี่ก็เสร็จเดี๋ยวเมื่อนั้นนะถิ่นของตัวคือมูนไถนะ่คือรอยไถอยู่ตรงนั้นแหละนะปลอดภัยสติปัฏฐานสีนี่ก็คือนะคือที่ทางของเราคือที่ทางที่สมควรนะเพราะว่าตรงนั้นแหละที่มันทำให้เรามีบ้านที่แท้จริง ทำให้มีความรู้สึกตัวและต่อไปก็จะเป็นพื้นฐานทําให้เกิดปัญญาที่สามารถพาแจจากจความทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าความรู้สึกตัวมันจะเป็นที่สุดนะของการปฏิบัติแต่ว่ามันไม่ใช่จะมันพื้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญถ้าไม่มีตรงนี้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเหมือนกับบ้านเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีฐานไม่มีเสานะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ให้เรามานะมามาทำความเพียร น, นะถึงแม้ว่าเราจะจากบ้านที่เราคุ้นเคยแต่ว่าบ้านที่เราจะพบนะบ้านที่เราจะเจอเนี่ยมันก็สําคัญมากทีเดียวแต่ว่าต้องใช้ความเพียร น, นะต้องใช้ความเพียรพอจะไม่เพียรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราแสวงหาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่เพียรอย่างเดียวไม่พอนะต้องวางใจให้ถูกนะ การปฏิบัติธรรมโดยพการเจริญสติเนี่ยทำความเพียรเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยนะความพอดีด้วยนะตั้งใจทำแต่ว่าวางใจแบบสบายๆนะทำเต็มที่แต่อย่าซีเรียส น, นะทำสบายๆหลวงพ่อเชิญบอสทเล่นๆนะทำเล่นๆนะแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆก็คือว่าไม่ได้ทำด้วยความอยาก ไม่ได้ทำด้วยอาการหน้าดำข่ำเคร่งมันจะฟุ้งบั้งหลงบ้างช่างมันนะเริ่มใหม่จะเผลอไปกี่เรื่องกี่ราวรู้ตัวกลับมาใหม่ไอ้ที่เผลอไปก็ช่างมันไม่ต้องหวนกลับไปคิดว่าเมื่อกี้คิดอะไรทำไมถึงคิดทิ้งมันไปเลยเหมือนกับนักกีฬานักเทนนิสนักแบดบมินตันเนี่ยตีตีผิดตีตตตตพลาดก็ป้องปล่อยไม่เก็บเอามาคิดนะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว ทําเล่นๆไปเราไม่ได้แข่งกับใครจะฟุ้งบ้างเผลอบ้างมากไม่เป็นไรแต่ว่าใหม่ๆมันก็คงต้องมีนะความง่วงความเบือ่อตรงนี้แหละที่ต้องใช้ความเพียรมามาช่วยเพราะถ้าไม่มีความเพียรมันก็จะ พ, าพ่ายแพ้จากความง่วงความเบือ่อนั้นต้องตั้งจิตให้ให้ให้ให้มีความเพียรแต่ก็เพียรโดยที่ไม่เครียดนะทำเต็มที่จะไม่ซีเรียส อันนี้มันใหม่ๆจะทำยากนะเพราะว่าทำเต็มที่ทีไรเครียดทุกทีหรือบางคนซีเรียสนะแต่ว่าไม่ทำเต็มที่ก็มีเยอะถ้าไม่ซีเรียสก็คือปล่อยไปเลยปล่อยไปไม่เอาใจใส่อันนั้นไม่ใช่มันเป็นไปได้นะทำเต็มที่แต่ไม่เครียดแล้วก็ไม่ซีเรียสแต่ก็ทำเต็มที่มีความเพียรก็ลองทำดูนะเอาละ คำนี้ก็ผูกกัชนนี้การพัก